เขาเห็นภาพตัวเองยืนอยู่ต่อหน้าเอดิสันได้ยินเสียงตัวเองกำลังพูดคุยกับเอดิสันเพื่อขอโอกาสที่เขาได้ทำงานตามปณิธานอันแรงกล้าของตนเองที่จะได้ร่วมทำธุรกิจกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ปณิธานของบาร์สไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความปรารถนาแต่มันคือปณิธานอันแรงกล้าซึ่งอยู่เหนือทุกสิ่งไม่กี่ปีหลังจากนั้นเอ็ดวินซีบาส์ได้ยืนอยู่เบื้องหน้าเอดดิสันอีกครั้ง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 กว่าที่โอกาสซึ่งเขาแสวงหาจะมาถึงในมุมมองของคนอื่นยกเว้นตัวเขาเองอาจเห็นเขาเป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆในธุรกิจของเอดิสันแต่ในจิตใจของเอ็ดวินบานส์เขากลับคิดอยู่ตลอดทุกนาทีนับตั้งแต่วันแรกที่เขาไปทำงานว่าตัวเขาเองคือหุ้นส่วนธุรกิจของเอดิสันนี่คืออุทาหรณ์ที่ชัดเจนของพลังแห่งปณิธานบานส์ Barnes, บรรลุเป้าหมายได้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 นั่นคือเหตุการณ์เมื่อปีคิเตศักราช1871เขาสร้างร้านค้านั้นขึ้นมาใหม่และยังคงอยู่จนทุกวันนี้ห้างสรรพสินค้ามาเชลฟิลด์เป็นอนุสรณ์สถานแห่งปณิธานอันแรงกล้าของมาเชลฟิลด์แตกต่างจากพ่อค้าคนอื่นๆตรงที่เมื่อเผชิญกับความยากลำบากและอนาคตที่มืดมนเขาจะลุกขึ้นและมองโลกในแง่ดีโปรดสังเกตความแตกต่างระหว่างมาเชลฟิลด์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 เมื่อคุณรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้บรร ล, ลุจุดประสงค์คุณจะกระตือรือร้อนในการแสวงหาโอกาสมากขึ้นและแตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นคุณต้องถามตัวเองทุกครั้งที่จะลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามว่าจุดมุ่งหมายนี้จะช่วยพาฉันไปสู่ปณิธานที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เป้าหมายจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต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 จงระบุจำนวนที่แน่นอนลงไปเลยเพราะนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาซึ่งจะได้อธิบายในบทต่อไป 2. กําหนดสิ่งที่คุณตั้งใจจะทาเพื่อให้ได้เงินมาตามที่ปรารถนาในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีคำว่าได้อะไรมาฟรีๆระบุวันที่แน่นอนในการที่จะได้ครอบครองเงินที่ปรารถนา 4. ส, สร้างสรรแผนการที่จะทาให้ปณิธานบรรลุผลสาเร็จ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 ต้องอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งดัดแปลงมาจากรถในเมืองเบเกอร์ฟิล์รัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากที่พ่อเสียชีวิตเมื่อเขาอายุเพียง9ก้าขวบเขาก็ต้องเข้าๆออกออ ก, ออกสถานพินิษเด็กมากกว่าอยู่ที่บ้านของเขาเองเขาต้องออกจากโรงเรียนตอนอายุ16ปีและ4ปีต่อมาเมอร์เลหแฮกการ์ตต้องโทษคดีขโมยรถยนต์และลักเล็กขโมยน้อยและเมื่ออายุ20ปี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 เมื่อออกจากคุกที่ขังเดียวเขาร้องขอ ง, งานที่หนักที่สุดในเรือนจำนอกจากนี้ยังได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาคค่าในเรือนจำปรับปรุงตัวเองจนได้รับการอภัยโทษหลังจากอยู่ในเรือนจำเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งเขาก็ได้กลับไปยังเบเกอร์ฟิลด์ทำงานขุดคูน้ำในเวลากลางวันและใช้เวลาในตอนกลางคืนเพื่อเขียนและสร้างสรรค์งานเพลงภายในเวลาสปี ก็ได้เซ็นสัญญาบันทึกงานเพลงและภายในเวลา5ปีงานของเขาก็ติดอันดับหนึ่งใน10เพลงฮิตและนำไปสู่หนึ่งในงานเพลงที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อแนวดนตรีคันทรีสมัยใหม่จบบทวิจาร์โทโมัสเอดิสันไฝฝันถึงการสร้างหลอดไฟซึ่งใช้พลังงานจากไฟฟ้าเขาได้เริ่มสร้างฝันให้เป็นจริงเอดิสันต้องประสบความล้มเหลวมากกว่าหนึ่งหมื่นครั้ง แต่ทั้งทางที่ล้มเหลวก็ยังยืนหยัดในความใฝ่ฝันจนในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในสมองของเขาบทวิจารณ์ดีนคาแมนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาตั้งแต่อายุอย่างน้อยในช่วงวัยรุ่นเขาได้เริ่มก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับผลิตและขายระบบควบคุมแสงสีเสียงในการแสดงตอนที่ได้เซ็นสัญญาจัดงานปีใหม่ให้กับไทม์สแควร์นั้น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 และหยุดโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากโยกตัวไปมามันไวต่อการเคลื่อนไหวมากราวกับว่าเพียงแต่คิดเราก็สั่งมันได้ด้วยจินตนาการของเขาได้ทําให้เซกเวเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทํางานและเคลื่อนที่ของโลกขณะที่กําลังเขียนบทวิจารณ์นี้เซกเว์พร้อมแล้วสําหรับการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานไพรสเนในโรงงานปฏิบัติการ ขณะที่ตำรวจจราจรและเทศบาลเมืองกำลังโต้แย้งกันว่าควรจะใช้เสกเวบนท้องถนนหรือบนทางเท้าดีดินคาเมนก็กำลังมีความคิดฝันใหม่คราวนี้ความฝันของเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำให้คนเรามีแสงสว่างที่จะอ่านหนังสือได้แม้ในที่ซึ่งมืดมิดที่สุดของโลกคาเมนกำลังพัฒนาแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและสามารถใช้ทุกสิ่งรอบตัวเป็นพลังงาน แต่สิ่งที่พิเศษสุดกว่านั้นก็คือเขาได้คิดค้นระบบเครื่องยนต์ที่สามารถให้ความร้อนเพื่อนำไปกลั่นน้ำบริสุทธิ์ได้ถึง10แกลลอนต่อชั่วโมงนวัตกรรมที่น่าทึ่งนี้จะช่วยให้มีน้ำบริสุทธิ์สำหรับบางส่วนของโลกซึ่งประชากรต้องล้มตายนับล้านคนเพราะกินน้ำที่ปนเปื้อนนอกจากนี้มันยังเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าราคาถูกและไว้วางใจได้ดีนคาเมน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 วอสเนียกลาออกจากบริษัทไปในปีคศกร .1981 แต่จ็อบยังคงพัฒนาแมคอินทอชจนถึงปีคศรา .1984 จ็อบได้ลาออกตามไปในปีคิศรา .1985 แต่กลับเข้ามาใหม่ในปีคศกรา .1998 เพื่อฟื้นฟูบริษัทที่กำลังย่ำแย่ด้วยการสร้างสรรค์เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac บริษัทสร้างภาพยนตร์พิกซา i p o d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 และได้เรียนรู้ความใฝ่ฝันในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าค้นพบความกล้าหาญในตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะความล้มเหลวฮิลได้พบปะนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์ผลงานมากมายซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งทเวนตี้เซนตุรีอเมร n กันอินดัสแนวคิดของพวกเขายัางทันสมัยเป็นเวลากว่า25ปีแล้ว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 เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่คลิกเมาส์ ount, คุณก็สามารถอ่านฟังและติดตามดูความสำเร็จของผู้ประกอบการและซ e อได้อย่างง่ายดายทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันคำพูดและข้อเท็จจริงแห่งหลักการของนโปเลียนฮิลที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน แต่เรื่องราวของความสำเร็จนั้นเหมือนกันคือเริ่มจากความคิดฝันแล้วก็ล้มเหลวเกิดบทเรียนและเกิดการเรียนรู้จนประสบความสำเร็จในที่สุดไม่ว่าจะเป็นเฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันหรือโอเฮนรี่ที่นโปเลียนฮิลได้อ้างอิงไปแล้วรวมไปถึงสตีฟจ็อบส์ดีนคาเมนเมเร่เฮกการ์ดล้วนแล้วแต่ได้พิสูจน์ว่ากฎของฮิลยังใช้ได้เสมอ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 ถ้อยคำที่ถูกต้องคำนั้นก็คือปณิธานเนื้อสิ่งอื่นใดผมตั้งปณิธานว่าลูกจะต้องไม่เป็นใบและสามารถพูดได้ด้วยปณิธานนั้นผมไม่เคยท้อถอยเลยแม้แต่วินาทีเดียวผมได้ทำอะไรไปบ้างผมค้นพบวิธีที่จะปลูกฝังปณิธานอันแรงกล้าของผมเข้าไปในจิตใจของลูกโดยการถ่ายทอดเสียงเข้าไปในสมองของลูกโดยไม่ต้องใช้หู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 ผมก็ได้พยายามสร้างสรร น, นิทานเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองจินตนาการและปา น, นิธานที่จะได้ยินมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเน้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ผมเล่าผมจะเสริมและแต่งแต้มสีสันในนิทานเรื่องราวของนิทานนี้ได้ปลูกฝังความคิดลงไปในจิตใจว่าความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับไม่ใช่นิกรรมที่ต้องชดใช้แต่เป็นทรัพย์สินที่มีค่า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 ได้กล่าวถึงเรื่องของปณิธานไปแล้วมีข่าวการเสียชีวิตของมาดามชูมันไฮน์นักร้องโอเปรา่าผู้มีชื่อเสียงเมื่อฮิวได้ทราบข่าวมรณะกรรมนี้ทําให้เขาต้องเขียนบทความถึงเธอดังต่อไปนี้จบบทวิจารณ์เนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือพิมพ์ได้เสนอเรื่องราวของนักร้องโอเปรา่าผู้มีชื่อเสียงมาดามชูมันไฮน์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 โดยไม่ให้โอกาสอย่างนี้บทวิจารณ์ถึงแม้ว่ามีผู้อ่านน้อยคนนักที่จะได้รู้จักใกล้ชิดกับมาดามชูมันไฮแต่เกือบทุกคนคงรู้จักนักร้องนักแสดงที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆบางช่วงในชีวิตดารานักร้องผู้ยิ่งใหญ่ก็เคยล้มเหลวมาก่อนบางครั้งก็มีคนว่าเขาไม่เก่งพอแต่ช่วงเวลาที่เขากาลังล้มเหลวนั้นปณิธานยิ่งใหญ่กว่าความล้มเหลว